เขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาษแก่เรา 2. บุคคลย่อมผูกอาคาตว่าเขากำลังประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาษแก่เราสบุคคลย่อมผูกอาคาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาษแก่เราสบุคคลย่อมผูกอาคาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาษ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 ในฐานะที่ไม่สมควรดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ตั้งแห่งความอาฆาตสิบอย่างเหล่านี้แหล6หิบสาเครื่องนำความอาฆาตออกสิบอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเครื่องนำความอาฆาตออกสิบอย่างเหล่านี้คือหนึ่ง บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพินุษแกเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน 2. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่าเขากำลังประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาษแกเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน 3. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออก ด้วยคิดอย่างนี้ว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นความพิหน้าแก่เราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหนสบุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพิหน้าแก่คนที่รักที่พอใจของเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน 5. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขากำลังประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รักที่พอใจของเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหนหกบุคคลย่อมนำเอาความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รักที่พอใจของเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหนเจ็ดบุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า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 หกพระพุทธเจ้าไม่ส่งสรนเสริญความหยุดอยู่ในกุศลแธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่สรนเสริญความหยุดอยู่ในกุศลแธรรมทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ว่าเราจะสรนเสริญความเสื่อมในกุศลแธรรมทั้งหลายอนหนึ่งเราย่อมสรนเสริญความเจริญไม่สรนเสริญความหยุดอยู่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 จา่าคะความสละปัญญาความรู้ปฏิพานความไหวพริบธรรมเหล่านั้นของเธอย่อมไม่ตั้งอยู่ย่อมไม่เจริญขึ้นเรากล่าวข้อนั้นว่าเป็นความเสื่อมในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความหยุดอยู่ไม่ใช่ความเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละคือความเสื่อมในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลาย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 หรือในพื้นน้ำอันใสถ้าเห็นธุลีหรือมวลทินในเงาหน้านั้นก็ย่อมพยายามเพื่อ น, นำออกซึ่งธุลีหรือมวลทินนั้นเที่ยวถ้าไม่เห็นธุลีหรือมนลทินในเงาหน้านั้นก็มีความอิ่มใจเต็มปราถนาด้วยเหตุนี้แหลว่าเป็นลาภของเราเนอเงาหน้าของเราบริสุทธิ์หนอดังนี้ฉันใดข้ออุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือการพิจารณาดังต่อไป น, นี้ของภิกษุย่อมมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย 1. เรามีอภิชาคือความโลภหรือไม่มีอภิชาอยู่โดยมากหนาอ 2. เรามีจิตพยาบาทหรือความคิดให้ร้ายหรือไม่มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหนา 3. เราถูกความหดหู่ง่วงงุนรึงรัด หรือปราศจากความหดหู่ว่วงงุนอยู่โดยมากเนอ4เราฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเนอะหเรามีความลังเลสงสัยหรือข้ามพ้นความลังเลสงสัยอยู่โดยมากเนอ6เรามีความโกรธหรือไม่มีความโกรธอยู่โดยมากเนอเจ็ด เรามีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเนอ8เรามีกายกระสับกระส่ายหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากเนอ9เเราเกียรคร้านหรือรปรารบความเพียรอยู่โดยมากเนอะสิเรามีจิตไม่ตั้งมั่นหรือมีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากห น, นหอ ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าหนึ่งเรามีอภิชาคือความโลภอยู่โดยมากสเรามีจิตพยาบาทคือความคิดให้ร้ายอยู่โดยมากสเราถูกความหดหูง่วงงุนรึงรัดอยู่โดยมากสเราฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหเรามีความลังเลสงสัยอยู่โดยมากห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 อันเป็นเครื่องเห็นแจ้งธรรมะในสมัยอื่นภิสษุนั้นย่อมได้เจโตสมถะในภายในและย่อมได้อธิปัญญาอันเป็นเครื่องเห็นแจ้งธรรมะแต่ถ้าภิสษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้เจโตสมถะในภายในยังไม่ได้อธิปัญญาอันเป็นเครื่องเห็นแจ้งธรรมะภิสษุนนั้นก็ควรทำฉันทะ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 6. มักคะความลบหลูบ่บนคุณท่านเจ็ 7. ปลาสะความตีเสมอ 8. อิสาความริษยาเกมัชริยะความตรณีสิ 10. มาณนะความถือตัวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลละทำสิบอย่างเหล่านี้แลได้จึงควรทำให้แจ้งซึ่งอรหั ต, ตผล